ทำไมบางคนเมื่อฝึกสมาธิจึงกลายเป็นบ้าในเรื่องเว้าเสียงสวรรค์ฉบับเดือนมิถุนายนข้าพเจ้าได้พูดถึงเรื่องการสะกดจิตกับการเข้าทรงโดยชี้ให้เห็นว่าคนที่ถูกสะกดจิตโดยทั่วไปแล้วจะเป็นคนทรงไม่ได้เว้นไว้แต่การสะกดจิตนั้นจะมีผลไปในทางทําให้จิตใจของผู้ถูกสะกดเป็นอิสระ คือไม่ให้ไปเกาะเกี่ยวอยู่กับอารมณ์ใดๆโดยเฉพาะเพราะโดยธรรมดาผู้ที่จะเป็นคนส่งได้จิตใจจะต้องว่างคือในขณะนั้นใจไม่ยึดมั่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งวิญญาณของคนที่ตายไปแล้วจึงจะสามารถเข้าทรงได้เพราะการเข้าทรงก็คือการสะกดจิตแบบหนึ่งนั่นเองฉะนั้นถ้าหากผู้ที่ถูกสะกดจิต จิตไม่ว่างเพราะไปยึดอยู่ในคำสั่งของผู้สะกดอย่างใดอย่างหนึ่งวิญญาณอื่นจะมาสะกดทับไปอีกย่อมทามได้ยากหรือถึงแม้ในบางกรณีวิญญาณที่มาเข้าทรงนั้นจะมีอำนาจจิตสูงกว่าและพยายามที่จะสะกดให้ได้เมื่อเป็นเช่นนี้การขัดแย้งภายในจิตใจก็จะต้องเกิดขึ้นอย่างรุนแรงและถ้าหากถูกกระทาเช่นนี้บ่อย ก็จะต้องเป็นโรคประสาทอย่างแน่นอนและในที่สุดก็อาจจะเป็นบ้าได้โดยธรรมดาคนเราทั่วๆไปก็มักจะมีความรู้สึกขัดแย้งกันเองอยู่เสมอไม่มากก็น้อยและถ้าหากคนไหนมีมากเราก็เห็นได้ชัดว่าเขาจะต้องเป็นโรคประสาทในกรณีของการเข้าทรงก็เหมือนกัน การขัดแย้งในทางจิตใจระหว่างผู้ถูกสะกดกับวิญญาณที่จะมาเข้าทรงก็จะต้องมีอย่างแน่นอนการที่คนทรงส่วนมากมีอาการตัวสัน่นหรือมีอาการเต้นอย่างแรงอันนี้แหละคือปฏิกิริยาที่เกิดจากการขัดแย้งในจิตไร้สำนึกเพราะวิญญาณที่มาเข้าทรงจะให้มีอะไรเหมือนกันกับวิญญาณของผู้ที่ถูกเข้าทรงนั้น ย่อมเป็นไปไม่ได้และคนทรงที่จะทำได้อย่างสมบูรณ์นั้นจะต้องสามารถทำใจให้ว่างได้จริงๆซึ่งผู้ที่ทำได้ก็คือผู้ที่สามารถหลับในสมาธิได้และการที่เขาทำได้ก็เนื่องจากเขาสามารถทำใจให้ว่างจากอารมณ์ได้ทุกอย่างจึงสามารถหลับได้ทั้งๆที่ไม่ง่วงนอนและไม่ต้องเอนตัวลงนอนคือนั่งเข้าสมาธิไม่ต้องพิงอะไรก็สามารถหลับได้ โดยที่อุรยาบทจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยสำหรับคนทรงประเภทนี้เวลามีวิญญาณอื่นมาเข้าทรงปฏิกิริยาที่เกิดจากการขัดแย้งจะมีน้อยที่สุดซึ่งจะสังเกตได้จากอาการที่คนทรงประเภทนี้ตัวไม่สัน่นหรือถ้าจะสั่นก็เพียงนิดหน่อยเท่านั้นอาการเต้นผ า, ผางจะไม่มีเลยเป็นอันขาดแม้ในเวลาออก ก็จะไม่มีอาการล้มหงายตึงอะไรทํานองนี้แต่ถึงกระนั้นถ้าเข้าทรงบ่อยๆก็จะทำให้เกิดความเครียดทางประสาทได้เหมือนกันเพราะโดยธรรมดาสภาพจิตใจของแต่ละบุคคลย่อมจะต้องมีอะไรไม่เหมือนกับของคนอื่นฉะนั้นในเมื่อมีวิญญาณอื่นมาบังคับความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งให้อยู่ในภาวะนิ่งเฉยไม่ให้แสดงอะไรออกมา อาการที่ถูกบังคับเช่นนี้ก็ต้องมีการขัดแย้งกันบ้างด้วยเหตุนี้จึงเกิดความเครียดทางประสาทซึ่งจะสังเกตได้จากอาการที่คนทรงประเภทนี้เมื่อออกจากทรงแล้วจะมีอาการเพลียและบางทีกล้ามเนื้อในบางแห่งจะกระตุกเห็นได้ชัดและบางทีก็อาจเป็นอยู่หลายชั่วโมงบางคนอาจจะเป็นอยู่ตั้งหลายวันเพราะฉะนั้นโดยธรรมดาการเข้าทรงจึงมีอันตรายมาก คนบางคนที่ฝึกสมาธิแล้วกลายเป็นบ้านั้นสาเหตุส่วนใหญ่ก็เนื่องมาจากความกดดันในทางอารมณ์มีมากมีการขัดแย้งภายในจิตใจของตัวเองอยู่เสมอถ้าหากคนประเภทนี้ไม่เอาจริงเอาจังกับการฝึกสมาธิก็ไม่สู้จะมีผลร้ายแต่ถ้าเอาจริงเอาจังและที่มาฝึกก็เพื่อต้องการที่จะใช้สมาธิเป็นทางสแสวงหาผลประโยชน์บางอย่างซึ่งเป็นผลในทางวัตถุ ไม่ใช่มุ่งที่จะทำใจให้บริสุทธิ์หรือมุ่งที่จะหาความสงบให้กับจิตใจซึ่งถ้าเขาฝึกไม่ค่อยได้ผลก็ไม่สู้จะมีอันตรายแต่ถ้าเขาสามารถฝึกให้ได้ดีคือสามารถบังคับจิตให้นิ่งได้แล้วก็พยายามที่จะบังคับจิตให้มากขึ้นโดยไม่ได้คลี่คลายอารมณ์มาก่อนและความกดดันต่างๆหรือความขัดแย้งต่างๆยังคงมีอยู่ในจิตใจเหมือนเดิม ในกรณีอย่างนี้การทำจิตให้เป็นสมาธิก็เท่ากับเป็นการเพิ่มความกดดันหรือความขัดแย้งให้มีความรุนแรงยิ่งขึ้นและถ้าหากอาจารย์ผู้สอนเป็นคนมีชื่อเสียงเคยฝึกสิทธิ์ได้ผลมามากแต่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับความกดดันทางอารมณ์เคยสอนผู้อื่นได้ผลมาอย่างไรก็จะพยายามสอนคนประเภทนี้ไปตามวิธีที่เคยปฏิบัติมา ในกรณีอย่างนี้แหละที่บางคนเมื่อฝึกสมาธิแล้วกลายเป็นบ้าเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ต้องระวังให้มากการฝึกสมาธิคือการทำใจให้สงบทำใจให้นิ่งอยู่กับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งแต่โดยปกติผู้ที่มีความกดดันหรือมีความรู้สึกขัดแย้งอยู่ในจิตใจมากจะไม่สามารถเข้าสมาธิได้เลย และถ้าหากจะมีบางคนพยายามทำได้นั่นก็เนื่องมาจากเป็นคนเคยมีพื้นในทางสมาธิดีมาตั้งแต่ชาติก่อนซึ่งในชาติที่ทำได้นั้นแน่นอนความกดดันในทางอารมณ์จะต้องไม่มีหรือถ้ามีก็มีเพียงเล็กน้อยสำหรับบุคคลประเภทนี้ถ้าตั้งใจจะฝึกสมาธิจริงๆส่วนมากก็จะฝึกได้ถึงแม้จะมีความกดดันอยู่มากก็ตาม แต่แล้วก็จะเกิดผลเสียหายดังที่ได้กล่าวมาการฝึกสมาธิที่จะให้ได้ผลดีจริงๆนั้นจะต้องหาทางคลี่คลายอารมณ์แก้ความกดดันให้เบาบางลงเสียก่อนการฝึกสมาธิจึงจะทำได้ง่ายแต่ถ้าคนไหนทั้งที่ยังมีความกดดันอย่างมากก็จะพยายามฝึกเอาให้ได้ ถึงแม้เขาจะสามารถทำจิตให้เป็นสมาธิได้แต่และก็จะพบว่าความสดชื่นจากภายในจะไม่เกิดขึ้นเลยเป็นอันขาดและถ้าความสดชื่นไม่เกิดสมาธิก็ไม่มีความมั่นคงส่วนผู้ที่ไม่มีความกดดันอยู่ภายในจะสังเกตเห็นได้ชัดพอจิตเริ่มสงบก็จะรู้สึกมีความสบายแจ่มใสเกิดขึ้นทันที และถ้าความสดชื่นเกิดขึ้นเร็วก็หมายถึงความกดดันภายในจิตใจไม่มีแต่ถ้าความสดชื่นของคนไหนเกิดช้าก็หมายถึงความกดดันมีน้อยถ้าความสดชื่นไม่เกิดเลยทั้งที่จิตก็สงบไม่ฟุ้งซ่านนั่นย่อมหมายถึงความกดดันมีมากในกรณีอย่างนี้จะต้องพยายามหาทางคลี่คลายอารมณ์แก้ความกดดันให้เบาบางลงเสียก่อน ไม่เช่นนั้นแล้วก็อาจจะทำให้สติฟั่นเฟือนมีการหลงผิดเกี่ยวกับตัวเองและในที่สุดก็อาจจะกลายเป็นบ้าได้ทำไมบางคนที่ฝึกสมาธิจึงกลายเป็นบ้าดังที่ได้อธิบายมานี้เป็นข้อความที่อธิบายสืบเนื่องมาจากเรื่องการสะกดจิตกับการเข้าทรงซึ่งได้นำลงในเรื่องแววเสียงสวรรค์ฉบับเดือนมิถุนายน แต่เนื่องจากในฉบับก่อนหน้ากระดาษไม่พอจึงได้เอามาอธิบายต่อไว้ในฉบับนี้และอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องกลิ่นของโอปปาติกะตามที่ได้อธิบายมาในฉบับก่อนนั้นเป็นเรื่องของคนไทยซึ่งมีหลักฐานพอเชื่อถือได้พอดีกันในขณะที่ข้าพเจ้าได้เขียนเรื่องนี้อาจารย์สิริพุทธสุขก็ได้แปลเรื่องวิญญาณกลิ่นดอกกุหลาบจากในหนังสือเฟตมาให้ข้าพเจ้าพิจารณา รู้สึกว่าเรื่องนี้ก็เป็นตัวอย่างได้ดีอีกเรื่องหนึ่งที่จะชี้ให้เห็นว่าการที่คนในโลกมนุษย์จะได้กลิ่นที่มาจากพวกโอปปาติกะนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปได้และก็มักจะมีอยู่ทั่วโลกซึ่งถ้าหากเราพยายามติดตามเรื่องอย่างนี้เราก็จะเห็นได้ว่าการที่มนุษย์จะได้กลิ่นของโอปปาติกะนั้นเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นจึงอยากจะให้ท่านได้ศึกษาเรื่องนี้ แต่เรื่องกลิ่นดอกกุหลาบที่กล่าวไว้ในเรื่องนี้จะเกิดขึ้นโดยวิธีไหนข้าพเจ้าได้เรียนถามโอปปาติกะตนหนึ่งแล้วท่านไม่ได้ยืนยันว่าเกิดขึ้นโดยวิธีไหนเพราะท่านไม่รู้จักโอปปาติกะผู้นี้และก็เป็นเรื่องที่ล่วงมานานแล้วจึงไม่อาจจะสืบหาสาเหตุได้แต่ถึงอย่างไรก็ตามการที่คนในโลกมนุษย์จะได้กลิ่นที่มาจากโอปปาติกะนั้นย่อมเป็นไปได้จากเหตุเหล่านี้คือ 1>, 1. เกิดจากกลิ่นตัวซึ่งมีอยู่เป็นปกติสำหรับผู้ที่อยู่ในภูมิของเขา 2. เป็นกลิ่นที่เกิดจากอุปาทานที่ติดไปจากมนุษย์ 3. เป็นกลิ่นที่เกิดจากการกระทำด้วยความจงใจซึ่งผู้ที่ทำได้จะต้องเป็นโอปปาติกะที่อยู่ในภูมิสูงเพราะฉะนั้นเมื่อท่านได้ฟังเรื่องนี้แล้วก็ขอให้สันนิษฐานเอาเอง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 บูชาพระพุทธองค์ดอกบัวคู่อยู่เคียงพระธรรมมอบถวายขึ้นบูชาตถาคตบัวคู่อยู่ในใจทุกคนดอกบัวคู่ความดี